ทุกคนใช้เวลาแล้วถอนสติออกมาพ้าเมยทำแล้วถ้าไม่ฟังก็ไม่เข้าใจไปวัดไปทำทานทำบุญไปทำบุญใส่บาตรนะส่วนมากไม่ค่อยทำบุญกันไม่แต่ใส่บาตรทำให้พระจุ้ง ทำให้พระเกิดที่เล่นเดี๋ยวบางคนยังไม่มาเลยก็มียังไปยุ่งแต่เรื่องปากเรื่องทอ่อบอกมารับศิลรับพรก็มไม่มาเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานอยู่กับปากกับทอบ่อเห็นบุญเห็นใจเห็นสวรรค์สวรรคในอกนรกในใจ เนีมาลวปู่มาพาทำบุญมาพาทำบุญท้าหลวงปู่ไมพาทำผิดศีลโกหกัดยอมโกหกอะไรล่ะบอกว่าทำบุญไม่พาทำบุญทำทานทำบุญก็พูดได้มาเกินทำทานอาหารกายทำบุญอาหารใจเตรียมตัวก่อนไปเตรียมตัวก่อนกลับหรือภาษาบ้านเราว่าเตรียมตัวก่อนตายก่อนเราตายเรต้องเตรียมตัวไหม เอาอะไรไปด้วยเอาบุญหรือเอาสวยงามหรือเอารนะ่ลลํารวยแบบร่ำรวยเวลาเสียชีวิตเขาจะได้ป่าให้เวลาเขาไปเก็บกุ่ยเขาก็ ข, ขอขึ้นมาอีกได้จักบาทพราะอะไรคือมักรวยแนตะ่รวยบุญเราก็ไม่อยากรวยกันบุญไม่ได้เสื้อทําบุญไม่ได้เสื้อทําไมไม่เข้าใจ ถ้าทำแบบเราทำกันเมื่อกี้นี่นั่นะช่วยพระสงรักษาพระศาสนาไม่ต้องขนดอกไม้มาให้ลกรบลงหลังพูดเมื่อกี้ก็พูดเรื่องดอกไม้แล้วทำได้ไหมล่ะมาทำนิพุพากันเพาะปูชาก่อนก่อนทำอย่างอื่นอนสบายไหว้พระนั่นคำปูชากำนมมือขึ้นงามกางงาม แล้วก็อิมินาสการเรียนะตังพุทธทางอภิภูชยามะนั่นได้ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตังสซ้ำังอภิภูชยามะน่นกระดาววายพาดอันห่างก็มาสุกปฏิปนโนแค่นั้นแล้วก็เน้นหนะักเรื่องทำบุญอยู่ที่บ้านก็วันการพูดแค่นี้แหละนัะ่นแล้วก็ จดมนเยอะเป็นสมาธิจดมนเยอะเป็นสมาธิธาธ <c oughs> บางทีฝากกอกว่าจดมนอยู่แต่ใจไม่อยู่มันสู้ดูที่นี่ไม่ได้นะรู้ที่ลมมันเป็นเครื่องบังคับสติของเราไม่รู้ว่าอยู่ในลมหรือไม่อยู่ในลมถ้าไม่อยู่ในลมแต่ว่าสติไม่ดีอยากร่าอยากรวยอยากสวยอยากงามไปตามความปรุงแต่งของเกลียดอวิชชาปัญญาสร้างข้าวนั้น วิชาเปพาปูมไปแต่เนี่ปูมแต่งไปทําไหนละ่ะรักโลกธรรมะเราใดเป็นเพื่อความรักความโลกนั่นไม่ใช่ทำคําสั่งสอนของพุเจ้าธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความสงบสุขนั่นเป็นทำคําสั่งสอนของพระเจ้าควรจะพิจารณาควรจะปฏิบัติอยู่เนืองๆเนี่ยอยู่ในตัวน้ำเกลือ น, น, น, นี่อยู่คนเดียวระวความคิดอยู่กับมิตรระวังคําพูด การอยู่ทั้งโลกการทําไม่ได้ตัวอยู่ทั้งโลกก็ทําได้ขอให้ทําในทางที่ถูกต้องไม่ใช่เข้าวัดไปหาวัดลำตะบะโคมจี๋สีตีเก่าจีีตีเป่าล่องลำทําเพลงหานางรบประมาทเป็นแข่งกันในวัดด้วยว่าหาดอกไม้ทุกเทียนไปแข่งกันในวัดด้วยว่าตีข้องตีกองแห่อ้อมโสดอ้อมมีหรันราชติบวดมาแห้กันอ้อมโสดอ้อมมีหารเป็นเรื่องเป็นราวกันในเมืองไทยเห็นไหมเพราะแห่นั ใ่ล่ะเขาบอกว่าขอร้องนิดหน่อยเสียงดังลูกสิลูกหาลูกหลานมสอบเขาใช้สมาธิสอบอ่านออดได้เต็มยิบเราว่าหึงหเราอบบว่าทอผุดจันมอรถตกมาเป็นมือองเมือาให้กูไปเงียบได้ทั้งไหนกูจะงี้เห็นบ่ความเห็นของสุราสุชาติหุ่มแค่นั้นตย ฟอร์ตราประเทศไทยตายหลายมมกู่มูจบกบกือคือ ป, ประเทศไทยเป็นไรควาหลงกนะ่กบกึ่งกายจบกบกึ่งใจถ้าเอาธรรมามาแผเดิใจสกบกคืออะไรเต็มไปด้วยรักโลภ ก, กรหลงหลอกลว ง, งปิ้นป้อนกันเนเรื่องเป็ราแต่ละวันแต่ละวันหลอกลวงให้้านอาหารทาอาหารให้ น, อน้อยวัดละหมื่นอมืนอ จะทำอยู่ตลอดหลายปีไปหาลงทุนลงแหล่งหาสื่อของมเห็นมาทบเวลาทําเสร็จแล้วไม่ทันเวลาอาหารไม่อร่อยไม่เอาผู้กล้าหลอกก็กล้าหลอกกันผู้เชื่อก็เชื่อก็เกกพราะกลมอยากได้จึเชื่อนะเพราะไ ม, ม่เห็นผลเพราะจะนั้นอย่าไปเชื่อง่ายๆบอกเรื่อนเมื่อคืนใช่ไหมอย่าไปเชื่อครูบาอาจารย์อย่าไปเชื่อนัอองาาาถือตำรา อย่าไปเชื่อได้ยินแต่ข่าวเล่าลือมาอย่าเป็นเชื่ออั น, ออนอที่เขาพาทำมาในเชื่อพระพุทธเจ้าและก็ไม่เชื่อเหตุผลเหตุผลถูกต้องเหตุผลถูกใจมีสองการถ้าถูกต้องเป็นบุญกุศลถ้าถูกใจเป็นบาสนี่ทำตามใจก็ทําตามโยมเสียพระพระ ก, ก็เหมือนกันแต่ไปทำตามโยมโยมเพราะว่าอั่งนั้นทําอย่างนั้นทำอย่างนี้ เยบอกพระเจ้าประสมเหมือนกันนะบ้า้พระอังสักทเป็นเดืเี้ยมจงมือชอบเขาใช่พระเจ้าประสงค์พระประธานไหมก็ไม่เอาพระอังสากเขาใชพระประธานพระอังสักอยู่ทางในสหรับพระเจ้าประสงแต่ั门จะตั้งนอกนี่เขาว่าพระเป็นประสาทแล้วแสดงว่าอังสัพระอังสัพระสงฆ์ทรงสบงกีวันซ่อนสังาติดเสร็จแล้วก็มา ครอบเขาไปอีกเลยก็ไม่น่าดูแด็ดพระพุทธเจ้าครบรินบุนเด็ดมาแต่งในพระพุทธเจ้าเป็นทางนั่นเป็นทางนี้บางแห่งแต่เอาพวงมาลัยไปครอบทรงของพระพุทธเจ้าคบแล้วทรงสมบองทรงเกวนันทรอนสังขารติมีสังขาติภาพนนทุกพระองค <c oughs> ์แต่คนก็ไม่เอา รู้ว่าเาจา่การดนไปทว่าจนั่งไปอะไจตรงไหนโยมขอไม่มาเหมือนโยมขอม่งว่าหย่างนี้เอามหมดกาน้บอกโยมนะไม่โยมไมบผิดเรือยทำด้เจปเห็นใจอย่างอาเมติทิงที่ไม่ถูกต้องก็อย่าให้เขาทำไม่นั้นเป็นแนวทางนะเห็นว่าหล่ะคเรูจย์จไม่เชื่อครบอาจารย์ไม่เชื่อหนังสือตาราหนังสือ เหตุประเทศไยปิดลกมาไหมประเทศไทยบางวัดสี่ของพุณเจ้าไห้ถึงสองรอยยี่สิบเจ็ดแค่ห้าสิบข้อรายห้าสิบข้อ น, นัพิมพ์มาเป็นประธุปิดลกคนนี้จะว่า <c oughs> ไยออกอากักขาก็มี่ตัวบ่อยโคตรตามคณะสงฆ์งก็ะมี่ตัวยังมียังเต่ผู้เชื่อไปนักเชื่อได้หันก็ไฟนั่งละพอมหายจิตขมงขึ้นหมด เป็นไม่คาถาหมายจึงคือไปเสกไปก็คือเราเนหลยไม่มีความนึกคิดไม่เคยพักผ่อยจิตใจเลยไม่มีสติเลยไม่มีปัญญาเขาพาตา ม, มาเขาพาตา ม, มานะผมว่าเขาไปเชื่อทำไมคนง่อเขาข่าวเขาเล่าเรือมาเราลรือมาว่านนี้คำเป็นนังจับสึกร้อย1ิปีร้อยตาเดถูกจำคุก วกวบเข้าเราลรืบมหาวเมนนั่นคำบวชเข้ามาได้เป็นพระอรหันต์แล้วเสร็จโตเป็นสันตินสิวันตมิไม่ใช่ตมิพูดชูฟังเข้าใจไหมเรื่องธรัดหลวกพ่อมาทำไรปรัชนธรรมนั่นนั่นนีวนี่ไปคิดดูมีหุผลควรเชื่อจึงเชื่อเป็นศิลของเราไม่มีคนคนเหผลควรเชื่อจะไปเชื่อที่ เหผลไหมรู้จักมาอายผลติแต่เราไม่ทำสมาธิไม่รู้เหตุผลเขาปัตมาก็ทำไปเลยทำไปเลยเป็นนิสัยแก้ไม่ได้จิี่อังการติจะมีจุกถูกเทียนจุกถูกเทยนบ่ได้เห็ดมาตะกอนเรจะไปตรวจน้ำก็ยตรวจเด้อตรวจจิถึงหยาดที to come to come to pe ok Ohh, ่พี่น้องเร้อมาจถูกยุเทียนจิถึงเร้อผมมีกินถูกไปบ่ขูมันเป็นนิสัยเราดิคือเฮ็ดมาเสาะดีบ่เนื้สที่ผมจะเาสอนแบบนัยก็เอา นินสคือนั่งบ้านบ้าหายใจกับออกือเวทีเป็นนินสัยนั่นหะมันซื้อใจอยู่กับล้มแี่ไม่มีลมใจกัไปแล้วได้คิดตว่าสุขจริงควรคำสงบไม่มีเหตุมาใจสงบเ ป, ป, ป็นังไลายแบราดรูแลเมื่อกี้ดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสง อ, อ, งมอหม เราทำน้องลูงกออกมาถามทีถามใจของเราถึงไม่ต้องไปถามพู้เจ้าที่ไหนผู้เจ้าจะไปวยใจให้ลูกใหยตื่นให้เบิกบานพุทธะไปว่าผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานโล ก, กวิถีโลกแก้งโลกว่าควรเป็นอูกของโลกมันวุ่นวายที่เราก็ชอบแต่โลกว่ามันตลกนะว่าแะไรเพื่อนสนุกเมืองฝ่าไม่ตัแดดก็ฝนสนุกเมืองค้นไม่ตักินก็เลน แก okay, นั่นที่เสียชีวิตเราได้อะไราาาทางขารางกายเผาทิ้งหมดเวลาเดี่ยงเวลาแต่งเอ า, เเอาแ ต, งาต่งผมก็แต่งไม่แล้วก็แต่งไม่คนเชี่ยวคนตาแต่งไม่แก้วไ็แต่งไม่ราคาแต่งแต่ละปีแต่ละปีตัวไหนกูกแก้วเด้วก็ปวดฟันแล็กก็ปวดฟันเนผมขาจะของไปหาแตง่งเป็นต้นตีบกัปวดตัวเดินลูกหลานลูกมึงอดตเรื่อหรอ อย่างไรหลวงพ่อแท็กกับพระจักรับผมสามสีสีเห็นได้อย่างไรที่นั่งถูกถ้านิยมสมัยใหม่หลงปู่คนเปนวัศาสนาย ม, า ย, ม, ตาต ย, มยมเป็นบ า, าทก็ได้เทียมเจ้าพอตัดตายก็เป็นบาทผมในหลวงฝากไว้เพื่อจะกินติจงกินดีกับของได้จงพอใจกับของมีจงรู้จักคำว่าพอเพียง เพียงพอพอเพียงแวเป็นสูรณ์ี่เพาเพียงเพอดีเพราดีแต่ความีคุณคุณสได้มากแค่นี้เพราักษาโอเคนี้ปลูกแตงโมตันแ่เราเรามีคนขอข่าวมือเพยังไงะพราะปอมนั่นของเราเองตรงไหนตรงสายข้างไหนเป็นของปลอมนั่นปลอมไ้ตลอดคนไม่เลีย เราเลื่อปีนป่วนประเทศไทยเราโชกันตลอดมือตลอดเว้นตทางประเทศก็มีวันโชว์มีห้องโซว์มีสถานโทษ์มีสถานประเด็นประโถจินกระจาย ก, กระจายตายมือนึงต่อไหนสาขาเราพวกพวกเราพวกแก้ บ, บ้านปั๊บลดต้นการลดรวนกันว่ามันง่ายคือประเทศนี้ดิ ตั้งแต่เด็กก็จะรดน้ำกันเห็นก็การมาบอาว่าเด็กใช้ต้องเสียงกันตีปากกันก็วันวันนั้นแหละพอเราพูดได้ไหมกันพู้ได้ไฟแดงพูดได้ไฟดำผมก็ออกมาบอกว่าเด็จะมาสนุกทั้งหลาย่าหอไปดากงู้อย่ี่หอไปแค่แต่เด็กก็หนีได้แบบยังสานบันสมองกวงแม่เอาไปเอา ไปประกันอารบนั่ขี่แฉงกันเด่นมอตายไว้หมอตายไว้อ่ะสืมันจะได้รู้กันพูดนึงคนว่ามันสื่อไม่ลูกตายแล้วะติไหนนั่งกันทัวมือตัวมือโสนจับพวกเด็กแหวนเด็กแหวนมันใส่แหวนเอาเครื่องมาอแบบไหนมันเสียงดังเขาเยบขึ้นเยียบขึ้นเป็นกองนนั่นเปิดปึกแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัด อันนับเนือกิจังหวัดไรด่สามลอยเล็กแว่จับได้ันจะใับสาม่อยขันตัวประเทศได้เกือบสองสามหมื่นหกเดี๋ยวนี้จับถึงพอตังแม่น้นเด้่าผสมลูกสอนเต่าเอาตามใจหลยบุรุมงบุญร้านมันรักวัวห้่ผูกรักลูกให้ตีส ม, มัินี้ตีมาได้มันก็กบาง ติดผู้ติดปลวกไปเราบอง้อง้แงแงหนางอตวกป๋าเดี๋ยวพ่จะกลับบ้านเมื่อตอนนั้นฝากไปอยากการติ้งเมื่อกี้นก็บอกแล้วจากการทันอยากการทิ่งบุญเรามาด้วยบุญเราต้องอยู่ได้บุญเราก็ได้กลับบ้านด้วยบุญถ้าม้บุญอยู่ได้บาปขาดทุนเราเข้าใจไมเราอยู่ได้บาปอยากร่ำรวยอยากสวยงามอยากร่ำรวยอยากสวยงาม น่นอยู่เดบับวะนั่นแหละนั่งมโนรามโนคือใจมโนปุพันธกรรมธรรม า, า ม, ามโนสัจธรรมโนโมปยาธรรมทั้งหลายคือใจใจของคนไปอยู่ในเมืองไหนเท่าที่ต้นน้ำมหาอยู่นั่งเมือ่อปูเงินพูทอง ใ, ใจทุกคนก็ไปอยู่ตึงมาหาเงินหาเงินนั่นเป็นเมืองพูเงินเพราะถึงมโนราหาเก็บปีเก็บเดือนเั็มพอ เอาจิตต้นตกไปเรียนคาถาจากพระฤาษีผู้ได้พาไปจงเป็นพ่อนางมรณะนกอินทรีไม่นันงนอกอินทรีตาหงจูจมูกเลี้ยกายใจฤาษีกับผู้มีศีลธรรมแต่ว่ามีศีลธรรมเห็นว่าเราแคิดแต่สองหมองทำสมาติใจว่าเป็นสมาธิไหนพูดว่ายพูดวายออกไปมากิจการทำใจเหมือนเชืเเราไอ้อะ้รนัง่งแบ ใจบ่หลอ่อมเลยสวยสงามกว่าเปน็นน้ำบ่นั่นเละจับไม่มฟังคืนนี่เจ้ากลรมในเวรเขาไปคอยใครจะกลับก่อนใครจะกลับคือใครตายก่อนนะเขาจดชื่อไว้ใครจดชื่อไว้ในกอดในกอดตาโ น, นตานี่มาแล้วมาแล้วไปถามดูซิตั้งบอกตั้งใจว่าจะไปทําบุญกุศลตามคำสอนของพุทธเจ้าเคยเห็นไหมสวรรค์เคยทําบุญไหมบุญเป็นยังไงถามไม่รู้จัก เพิ่มมาจากเมืองไหนมาจากเมืองระลกกลับคืนเมืองระลกไปไม่ได้คุณไม่รู้ทางไปแต่หวังเพราะคุณไม่ดูนั่นโลกอกาคือความมืดครอบลําสัตว์โลกอยู่ในความเมื่อยบอดเวลาเสียชีวิตก็เมื่อยบอดเหมืนเดิมผู้เจ้าสอนให้คนปฏิบัติทำเราเป็นคนมไหมล่ะทําไมไม่เชื่อผู้เจ้าถ้าเชื่อผู้เจ้าทําไมไม่ทํา แต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้กระว่าจะทาผู้ยุ่งยากของเรือนควรทำอะไรทานศีลบุญมันศีนมันพระเรือนหนึ่งมีสี่ครั้งยังทำไม่ได้ถูก<อ>ด่าว่าเก่ายากจนเ ม, มืองไทยเฮ้ยคุณเดี๋ยวศินมันพระไห้ว่ล่าผมยุงอ่ะทานเต่า ให้น่าบ่ากมตนหวงเงี้ให้ดิสมัอที่ขานปรนได๋อาหารอนกันรับพวกยาจมทาอาหารเลยเป็นดอกทุกวันเยไลยเอาไลยเอาแต่ไม่ถึงผมมาจงปับจงปรับกได้ขายไหนกูได้จ่ายไหนในหลวงมันของในหลวงบ้าน่ได้เขาวัดมันว่ไปหาเฮ็ดเอาบัตร่อายใจถือว่าอายพระมุขเจ้านี่ไม่ใจ เจ้าทายเจ้าพูดว่าให้นนังหลักมิตรในสปนกุ้งสินทำอยู่ในตู้ใส่ไหนจะสู้สินทำอยู่ในใจสินทำอยู่ในตู้ไหนจะสู้สินทำอยู่ในตัวตนเนตือนตนไม่ได้ใครเราจะเตือนตนนั้นแหละจะพึ่งของตนต้องพึ่งเจ้าของต้ตองเองตือเนเจ้าของเลยโคตรเกิดฝันไหนเกิดโมโหหจะกว่าภาษาอีสาน โตสอนโตเห็นเราจังไดบัตรบอกทานอาหารแล้วไม่เห็นว่าพบหน้าชาติหน้าบดาดบอกอาหารใจอ่ะพบหน้าชาติหน้าจึงจะทําโะเจ้าสอนให้คนดูปัจจุบันถ้าดูปัจจุบันรูปปัจจุบันเห็นปัจจุบันพะเจ้าไม่ได้สอนให้ไปดูสวรรค์ในภานเวลาตายแล้วเี่ สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิงนั้นจงละเสียแล้วสิงใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั่นก็ได้จะมายังไม่มาถึงปฏิบัติพลังแกโจทอมังน่ะคําสอนของพุทธเจ้าอย่าคิดไปอดีตอย่าคิดไปเรื่องผ่านไปแล้วให้คิดปัจจุบันทําปัจจุบันดูปัจจุบันรู้ปัจจุบัน่ะพัดัน์ก็พัฒน์ทุ่งไปถึงไหน <c oughs> มันไม่ได้ซื้อจึงยํานะคุณไม่ได้ซื้อนะ ทำเอาถ้าทำก็เห็นกฎรู้นั่นตัวให้ทำเป็นฐานมีอานิสงส์ยิ่งกว่ากวดให้สิ่งท่างปวงเลยน่าเป็นกุศลอกุศลได้จบเมื่อวนได้ตีพี่น้องโดเะลามาทำทานก็ดีาำว่าทาคาสั่งของของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลตัวนี้หปก้องปกกราตาวนได้จเมื่อวันตพี่น้องทำมีตะคมสุขคมเจริญจุกายจุใจมาจากผูตกภูเข ทำงานจึงเลยก็หงึ่งถึงเลยปารนาถึงหนึ่งอะไรก็ตรงสําเร็จตรงสําเร็จโดยเฉพาะในหการรคํ า, า, าคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประจงพากันตั้งบุกตั้งไกปฏิบัติตามคําคสอนของพระพุทธเจ้าและจงมีด้งกินดวงไกลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถสาธุสาุสาอาลับปานเลย ป้อนจนได้เสร็จธุรแล้วก็ค่อยไปใส่บาทฉันเสร็จพิธีเพื่อควรพร้อมเพียงต่างหากว่าไม่ให้โอวดเวลานี้ไม่ให้พรเวลานี้พ็จะเออสด็จกลับแก่พระจนมากึงเยื้อบาทจอด ตะโลกาเวเนโมโตสะปะสะตา ทักตุกคนนั่นตัวไอ้ผู้อยู่กใกล้นั่นแ่ะอ่าผู้แก่ๆนั่นความว่าน่ <c oughs> น่ะก็พูดเทิงร้ไม่ยกออกมาอีกแล้วอ้าก็สองเจัดชักมงคล ราตา